ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ตั้งมั่นตั้งอยู่ในการปฏิบัติธรรมโดยความเคารพเหมือนกันท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยนะตัวสาวกเองท่านก็ปฏิบัติธรรมของพระผู้มีพระภาคโดยความเคารพผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพก็เป็นที่ควรแก่การเคารพแก่ชนเหล่าอื่นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ควรกราบการไหว้ของชนเหล่าอื่นเหมือนกันสาวกเหล่านั้นคือใคร คือคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษ4คู่คือคู่แห่งโสดาบันคู่แห่งพระสกะทาคามีคู่แห่งพระอนาคามีและคู่แห่งพระอรหันต์โสดาบันก็แบ่งเป็นสองใช่ไหมคือโสดาปฏิมรักรกับโสดาปฏิผลสกทาคามิมรักรสกทาคามีผลอานาคามีมรักรอานาคามีผลอรหัตตมรักรอรหัตตผลมรัก4ี่ผลสี่ ผู้ดำรงอยู่ในมัศสีผลสีนี่แหละคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, านะถ้ายังไม่ดํารงอยู่ในมัศผลก็ยังไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายังคือหมายความว่าเลิกนับถือพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าดํารงอยู่ในมัศผลไปแล้วจะไม่มีคําว่าเลิกนับถือพระพุทธเจ้านะพูดอย่างนี้นะถ้าบางคนก็บอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าดียังไงทําไมเราต้องนับถือท่านตลอดไปทําไม ก็เลิกนับถือพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็บายหน้าไปสู่อบายเมื่อนั้นถ้าเลิกนับถือพระพุทธเจ้าแปลว่าหันหน้าเข้าไปหาอบายผู้ที่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้ที่ยังปิดอบายไม่ได้แต่ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ปิดอบายโดยประการทั้งปวงผู้ที่ตั้งอยู่ในความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อบรรลุษมรคนิพานปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติ ข้อปฏิบัติสายตรงคือมัชชิมาปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาดเป็นอปนักกัปฏิปทาปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาปฏิบัติไม่ย้อนกลับมาหาบาปไม่ย้อนกลับมาหาอกุศลปฏิบัติอนุโลมต่อพระนิพพานปฏิบัติไม่เป็นฆ่าศึกต่อศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทำสมควรแก่มรรคผลผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละควรแก่เครื่องไตยทานที่เขานํามาจากแดนไกล แปลเป็นภาษาไทยว่าควรคนที่ควรแก่ของฝากที่สุดนะถ้าจะไปที่ไหนจะไม่เอาของไปฝากใครพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยสมควรแก่ของฝากที่สุดนะมีอะไรจะเอาไปฝากก็คือจะฝากต้องฝากพระอริยะสมควรที่ได้รับของฝากมากที่สุดสมมติถ้าเราไปที่ไหนไปแดนไกลใช่ไหมก็ต้องมีข้าวของติดไม้ติดมือเอาไปฝากไปฝากอีกฝั่งหนึ่งเพนั้นภาษาวกของพระพุทธเจ้า เป็นคนที่ควรแก่ของฝากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาขับรถไปข้างทางก็จะมีของฝากจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็นึกถึงว่าผู้ที่ควรแก่ของฝากเหล่านี้ที่สุดคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามธรรมวินยัยปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะไม่นึกฝากเออเนี่ยได้ของฝากปากทองแล้วปากท้องใครได้ของฝากวัตตะไว้แล้วเนี่ยนะ ขณะเดียวกันผู้ที่ควรแก่เครื่องสการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับถ้าจะรับแขกนะควรจะมองว่าเป็นแขกพิเศษแขกวีไแขกที่ควรต้อนรับโดยส่วนเดียวปฏิเสธไม่ได้ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าทั่วๆไปเนี่ยนะทำไมเขาโอ้โหจัดรับแขกนะจังจะต้องจัดต้อนรับอย่างดีใช่ไหมถ้าเป็นแขกพิเศษแขกมีเกียรติแขกอะไรทําไมจะต้องจัดการต้อนรับท่านเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพราะอะไร เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้นำประโยชน์มาให้เขานำประโยชน์บางท่านนำประโยชน์โลกนี้เป็นต้นมาให้แขกที่เรากุลีกุจอตั้งจิตต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะเราเห็นว่าเขานำประโยชน์มาให้เรานะเราแล้วก็ต้อนรับเขาเป็นพิเศษใช่ไหมนี่ก็เหมือนการสาวกของพระพุทธเจ้าท่านนำเอาประโยชน์ในประโยชน์สามอย่างมาให้เราเลยถ้าเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าประโยชน์ในโลกนี้เป็นยังไง ท่านแ น, นะนํำข้อปฏิบัติชีวิตของเราในโลกนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแนะนําแม้กระทั่งให้เราได้ทํากุศลประโยชน์ในโลกนี้ถ้าเราให้ทานทิฏฐธรรมเวชนียกรรมก็มีถ้าเราต้อนรับท่านด้วยเครื่องสการะเจตนาดวงที่หนึ่งของเราก็ให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดก็ให้ผลในชาติหน้าสองถึงหก็ให้ผลใน ชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นท่านจะนำประโยชน์มาให้เราโดยส่วนเดียวเมื่อท่านนำประโยชน์มาให้เราแก่ส่วนเดียวเราจึงสมควรที่จะจัดของต้อนรับดีที่สุดเท่าที่เราสมควรจะทำได้เพราะอะไรจัดต้อนรับท่านก็คือต้อนรับตัวเองนั่นแหละต้อนรับตัวเองใ น, นอนาคตถ้าเราจัดเร็วๆนะตอนอนาคตเราก็ถูกได้รับการต้อนรับแบบเร็วๆเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า ท่านเหล่านี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่มวลมนุษย์เทวดาเพราะท่านเหล่านี้บริโภคปัจจัยสี่ของผู้ใดบุญทั้งหลายก็ย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเพราะท่านจึงเป็นผู้สมควรจริงๆเป็นแขกพิเศษจริงๆที่เรียกว่าเป็นแขกที่นำโชคนำลาบเหมือนกันเธพูดแบบสาวบ้านไหนก็บอกนโชคนาลาบนาบุญแล้วก็ ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแขกที่นำมรรคผลนิพพานมาให้นะนำความสิ้นทุกขมาให้เนี่ยนะนำความพ้นทุกนำความพ้นโศกนำความพ้นวัตตะเพราะสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรท่านก็ต้องแนะนําให้เรารู้จักพระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักพระธรรมโดยเฉพาะรู้คือรู้รู้ถึงขนาดตรัสรู้อภิสมมยะเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัต ตามพระพุทธเจ้าได้ก็ถึงความพ้นทุกข์ได้มันจึงควรต้อนรับท่านเฮ้ hey, การต้อนรับนี่ไม่ใช่ว่าต้อนรับแต่เฉพาะภายนอกด้วยข้าวของเครื่องใช้อย่างเดียวเท่านั้นเอาหูเรารับด้วยนะนะรับทางอะไรนะเอาข้าวของเครื่องใช้รับด้วยแล้วเอาหูของเรารับทำของท่านด้วยเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราก็เน้นรับแต่อามิตอย่างเดียวไม่เน้นรับ นั้นเราก็ควรรับเอาพระธรรมด้วยโดยเฉพาะโลกุตรธรรมนั่นเองนี้โลกุตรธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยการฟังนี่จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ก็อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงเกิดจากการฟังทีนี้ผู้ที่กล่าวก็กล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงควรตั้งอยู่ในความ เคารพท่านเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่นำประโยชน์นำความสุขมาให้แก่เราทั้งหลายสังเกตดูนะถ้าใครศึกษาพุทธคุณมาเป็นอย่างดีธรรมคุณเป็นอย่างดีแล้วสังฆคุณจะศึกษาไม่ยากเพราะว่าผู้ที่อนุวตัตตามพระพุทธเจ้าผู้ที่อนุวตัตตามพระธรรมคาสอนโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเหล่านี้แหละเป็นทักขินายบุคคล ทักขินายา บ, บุคคลนี้แปลว่ า, าผู้สมควรแก่รับทักษินาทานที่บุคคลเชื่อประโลกแล้วถวายเช่นเรียกว่าคนที่มีศรัทธาเชื่อในโลกหน้าเชื่อเชื่อกเรรชื่อผลของกรรมแล้วให้ทานเชื่อว่ากรรมที่เราทำไว้ดีแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขก็ให้ทานเพื่อเป็นปัจจัยแห่งความสุขบางคนปัจจัยแก่ความสุขแก่ตัวบ้าง เป็นปัจจัยแก่ความสุขแก่ญาติบ้างเป็นปัจจัยแก่ความสุขแก่ญาติทํำยังไงก็คือทําบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่ลว่ลวงล่วงรับไปแล้วเรียกว่าเปตชนเนี่ยนะเปตชนคือผู้ที่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ลุงป้านะ้าอาเป็นต้นที่เราเคารพที่เรานับถือที่เราระลึกถึงเราก็นําทานเหล่าเนี้ไปถาวายแก่ สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมใจอุทิศบุญยกอุทิตเรายกให้ยกบุญที่เราได้ทํานี้ให้แก่บุปผาการีมีพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเป็นต้นผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นเนี่ต่อไปนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สมควรแก่ผู้ที่เชื่อบุญเชื่อบาปเวลาจะทําบุญเนี่ยนะ เวลาจะทําบุญนั้นน่ะจะต้องอผู้ที่ทําบุญที่ถูกต้องที่ดีจริงนั้นน่ะเป็นทําบุญลักษณะเชื่อบุญเชื่อบาปเ ช, ชื่อโลกนี้เชื่อโลกหน้ า, าทีนี้ท่านเหล่านี้เนี่ยนะอย่างสมัยนี้ถ้าตั้งคาถามว่าเ อ, าเอา๊จะไปหาพระที่ไหนทําบุญอย่างที่ว่าเนี่ยนะ ทำบุญแล้วเปรตเขาอนุโมทนาได้ญาติที่ตายไปแล้วเขาอนุโมทนาได้ลงเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีพระพุทธเจ้าก็แนะนําไว้แล้วในทักษิณาวิพังกสูตรใช่ไหมให้เราทําบุญปรารบเปรตปราลบถึงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รับทานของเราเป็นใครก็ช่างเขาเถอดเราไม่จําเป็นจะต้องไปช่วยท่านปฏิบัติไปต้องไม่ต้องไปรักษาศีลแทนท่านนะนะไม่ต้องไปเจริญสมาธิวิปัสสนาแทนแทนตัวท่านอะไร ท่านในฐานะเป็นตัวแทนของสาวกของพระพุทธเจ้ามารับทานของเราก็พอเราไม่จําเป็นจะต้องไปปรารถนาคนนี้ดีจริงหรือปฏิบัติจริงหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าดีแต่ภายนอกมั้งเนี่ยนะใ้มันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราซากอย่างเลยนะนั้นเวลาเราให้ทานเราทําไมไม่นึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็แนะนําอยู่แล้วว่าให้น้อมไปหาสาวกของพระองค์เธอ แม้แต่พระสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังสอนให้ผู้ให้นั้นน่ะน้อมไปหาสงเ์เถิดที่เรียกว่าสังฆทานน้อมไปหาสงพรนธ์การน้อมไปหาสง์ที่ดีที่ถูกต้องนั้นเวลาจะให้เจริญสังขานุสติเธอเนี่ยนะระลึกถึงความปฏิบัติดีสมมติว่าเรามีดอกไม้สักดอกหนึ่งถ้าเราจะถวายสง์ เราก็เจริญสังขานุสติก่อนนะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยะบุคคลคือคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุตรท่านเหล่านี้นี่แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าข้าวคร้องเครื่องสักการะเหล่านี้น้อมอุทิศไปหาพระอริยะสงฆ์เหล่านั้นก็คิดในใจแล้วก็ ให้ทานไปเนี่ยนะนาไม่ดีก็ชําระพืชพันธุ์ให้มันดีกันแล้วกันอย่างในยุคนี้เนี่ยผู้อื่นเขาก็เรื่องของเขาละ่ะแต่บุญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านหรืออยู่ที่ตัวเราอยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกถ้าเราจะสแสวงหาบุญที่ดีบุญที่สมบูรณ์หาจากวัตถุภายนอกหรือภายในใจของเราก็ต้องหาจากภายในใจของเราเพราะทํำยังไงจะให้บุญเราเกิดได้มากเกิดได้ยาวก็อยู่ที่การ ชำระจิตของเราถ้าเราชำระจิตของเราเป็นโอ้ยบุญนี่ก็จะเกิดได้มากแล้วก็เกิดได้ยาวก็เกิดอย่างต่อเนื่องมันถ้าใครให้ทานประกอบกับการเจริญสังขานุสเ ต, ตและลึกถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์บุญอันนั้นก็จะให้ผลหาประมาณไม่ได้แล้วก็ผู้ที่น้อมใจอุทิศ เ, เครื่องสการะไปหาสาวกของพระพุทธเจ้า ที่จะมีผลน้อยไม่มีเพราะกุศลเจตนาเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เพาะลงในนาที่ดีที่เป็นเรียกว่านาบุญเนี่ยนะได้เจาะจงไปหาหนาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นนาบุญเป็นนาที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะนผู้ที่เป็นนาบุญของโลกอย่างนี้เนี่ยนะผู้ใดยังจิตให้เลื่อมใสก็ได้บุญหาประมาณไม่ได้ ผู้ที่ปนมอัญชลียกมือท่วมหัวน้อมคารพบูชาเป็นเหมือนกับดอกบัวที่จริงไอ้กรรมเอาเอามือมาปนมบูชากันเนี่ยนะถ้าถ้าสังเกตดูรูปทรงแล้วก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับดอกบัวแต่หลายคนไม่รู้ไงดอกบัวมันเหี่ยวเวลาว่า้บัวมันงออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะพอมาว่าบัวมันชักเสียหายแล้วนะบัวเหี่ยวบัวเฉาบัวบัวร่วงหนักๆเข้าเป็นบัวโรยเลยคนนี้ อนิ้วเนี่ยไม่ตั้งแล้วจริงก็การ10นิ้วปนมเนี่ยนะหมายถึงว่าสินิ้วอันรุ่งเรืองบูชาเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัวทำไมจึงพุทธศาสนาจึงเน้นมาที่ดอกบัวเป็นพิเศษก็เพราะว่าดอกบัวนั้นเป็นพืชพันธุ์ที่อาศัยน้ำและโคลนตมเจริญเติบโ ต, ตขึ้นพอเจริญเติบโตถึงที่สุดพ้นจากน้าและโคลนตมไม่แปดเปื้อนด้วยน้าและโคลนตม พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกของพระองค์เป็นผู้ที่เกิดในโลกเจริญเติบโตในโลกไม่แปดเปื้อนด้วยโลกพ้นจากโลกโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพ้นโลกคำว่าพ้นเนี่หมายความว่าไม่มีฉันทราคะชาพาเอาไว้กับโลกเลยโลกแปลว่าอะไรแปลว่าสลายท่านไม่มีจิตไปผูกพันไว้กับสิ่งที่จะต้องสลายไป พันน่าคิดนะถ้าเรามีใจไปผูกพันกับสิ่งที่สลายเป็นแล้วใจเราไม่สลายหรือสลายไหมสลายอยู่แล้วเพราะนั่นท่านเห็นโทษของการใจสลายท่านก็เลยไม่ยอมให้กิเลสไปฉาบทาไว้กับโลกที่มีแต่ความสลายเนะนี่ยนะเพราะนั้นถ้าวัตถุที่ที่เราไปเพลิดเพลินเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็สลายเพราะนั่นท่านก็พยายามไม่ให้นะพยายามคือปฏิบัติอยู่ในสัมมประานจนกาจัด ฉันธราค้าที่ไปฉาบทาไว้ในโลกเนี่ยนะฉาบทาไว้ในโลกพรเวทท่านจึงสมควรแก่การยกนิ้วสิบนิ้วอันรุ่งเรืองอันนนะควรแก่การเคารพการกราบไหว้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าเนี่ย น, นะก็เขาเรียกว่ายกมือท่วมหัวน้อมทั้งกายวาจาใจอุทิศแด่น้อมเคารพ บ, บูชาแด่ พระสงสาวกผู้ปฏิบัติดีเหล่านั้น <c oughs> น่การบูชาเคารพสักการะอย่าไปคิดว่าบุญน้อยเนยนะเพราะว่าเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยนะตัวอารมณ์เนี่ยนะอย่าคิดเป็นเรื่องธรรมดานะบุญจะมากบุญจะน้อยอยู่ที่อารมณะปัจจัยนะมหากุศลที่เกิดขึ้นเวลาให้ทานเวลาบูชาสักการะเคารพนับถือเอาของไปฝากให้มันอยู่ที่อารมณะปัจจัยว่า สิ่งที่เราไปคารพสักการะเนี่ยมีคุณแค่ไหนผู้นั้นอ่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกำหนดบุญของเราถ้าอย่างสงสาวของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์สอนผู้ปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ดังที่กล่าวไปท่านจึงเป็นนาบุญจริงๆเเป็นนาบุญที่หาประมาณไม่ได้เรามามานึกถึงว่าพ่อแม่บางคนที่ที่ปฏิบัติดีบรรลุมรรคผลเป็นต้น แล้วก็ลูกเรียมาทําบุญในฐานะพ่อในอะไรนะลูกมาปฏิบัติพ่อแม่ในฐานะพ่อแม่ด้วยแล้วท่านเป็นผู้มีคุณด้วยลูกที่ปฏิบัติจะได้บุญขนาดไหนเนาะอย่างนี้นึกมันถ้าพ่อแม่มีศีลเนี่ยลูกจะได้บุญขนาดไหนเนอะนั้นถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติในพ่อแม่ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยจะได้บุญหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะตัวแทนของนาบุญของ ที่เรียกว่าปุตุชนที่เป็นนาบุญก็คือพ่อแม่ทั้งหลายงั้นพ่อแม่เนี่ยเราก็เป็นอะไรนะเป็นนาบุญของลูกๆจริงๆดังั้นใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยนะอย่าเสียใจอย่ารังเกียจนะนะอย่าลําบากใจเลยที่จะทําบุญกับพ่อแม่เพราะท่านเหล่านั้นเป็นเป็นนาบุญบางครั้งมีผู้ที่เอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้า พ ร, ระองค์ปฏิเสธบอกทำไมไม่ทำบุญกับผ้าอรหันต์ที่บ้านบอกไม่มีเอาไปพ่อแม่ของเธอละเนี่ยนะมันก็เมื่อวานไปเยี่ยมโยมที่ไม่สบายเนี่ยนะไปเยี่ยมก็ผิดหน้าผิดตาผิดรูปผิดร่างไปเยอะเนี่ยนะะก็ยางว่านะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าร่างกายนี้มันโรคาโตอยู่แล้วใช่ไหมเป็นรังของโรคก็บอกเขาว่าโยมเนี่ยเห็นไหม เลี้ยงมาตั้งหกิบกว่าปีนึกว่าจะดีขึ้นที่ไหนได้หนักกว่าเก่าอีกนะบำรุงเป็นอย่างดีเลยนะให้อาหารตามการให้ดื่มให้กินให้อาบตามการเวลาดูแลปรนิบัติอย่างดีขนาดนั้นก็ดูสิมทรยศเห็นไหมกายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คุยกันไป <c oughs> ก็อนุโมทนากับคนคนที่ไม่สบายเนี่ยนะก็ถามมานี่มาทวงนะว่ายังทิ้งพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังเนี่ย บอกยาง ย, งยงเนี่ยยังสมาทานศีลยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ยังสมาทานศีลอยู่เนี่ยนะเห็นโทษของการเกิดไหมบอกโอ้ยตอนนี้เห็นมากว่างั้นนัะอย่างนี้นะการเกิดเป็นทุกขขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกข์ของว่างั้นเนยนะก็เลยคุยไปคุยมาและก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจว่าเ อ, อ้ยามเจ็บยามป่วยก็ยังระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยผู้ที่ศึกษาพระธรรมอย่างน้อยที่สุดควรจะได้เท่านี้ ไม่ใช่นอนป่วยนอนกระสับกระส่ายลืมพระพุทธเจ้าหมดเลยลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ลืมศีลลืมบุญลืมกุศลของตัวเองไปหมดไม่ใช่แบบนั้นนะนะยามป่วยยามไข้ก็อย่าทิ้งพระรัตนตรยัยจะลืมอะไรก็ช่างเถอะอย่าลืมพระรัตนตรยัยเพราะนั่นคือเชือกที่จะฉุดให้เราข้ามเราจากอบายได้พระรัตนตรัยเป็นเหมือนเรือที่จะข้ามให้เราพ้นจากพบกันดานได้พระรัตนตรัยเป็นเหมือนรถพาเราไปถึง จุดมุ่งหมายได้พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งที่กเกษมสูงสุดที่ทําให้ปลอดภัยจากวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็อนุโมทนากับลูกที่ดูแลบอกว่าอย่าเสียใจนะเนี่ยเป็นบุญนะที่เราได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ดูหนึ่งครั้งก็เป็นบุญของเราหนึ่งทีแต่ละครั้งที่ทําก็เป็นบุญทุกครั้งที่ทําไปเนี่ยนะทุกครั้งก็คือการลงทุนเป็นการฝังทรัพย์อย่างดีเลยนะไปหาหนาบุญอย่างนี้ที่ไหนอีกแล้ว นะหลายท่านที่นี่ก็ได้ทํากิจเหล่านั้นใช่ไหมปหนานาคก็ได้ทํากิจเหล่านั้นมาเป็นอย่างดีตอนนี้นั่งยิ้มนะสมวังผลบุญนะมีคนมาดูแลเราสบายเนี่ยนะทำบุญไว้แล้วจะไปกลัวทนะําไมเนาะปานาคเนาะงั้นคนที่ได้ประฏิษสถานได้ทําบุญไว้กับพ่อกับแม่เป็นต้นเนี่ยนะปนถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเนี่ยนะเขาได้นาบุญชั้นดีที่รองจากอริยะสาวกเท่านั้นเองเนี่ยนะรองจากทําบุญกับพระอริยะสาวก เพราะว่านาบุญเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผ้าอรหันต์ของลูกแปลว่าผู้สมควรแก่การเคารพการสักการะการกราบการไหวการบูชามั้นใครที่ยังมีพ่อมีแม่ก็ไม่ควรละเลยเอาและขณะเดียวกันอาและผู้ที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วละ่ะเวลาทํากุศลก็อย่าลืมพ่อลืมแม่อุทิศส่วนบุญที่เราได้ทําไปได้เจริญไปและเลกนึกถึงอุปการะของท่านอุทิศยกบุญเหล่านี้ให้ท่านาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะ เพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นศีลนะเป็นศีลขณะเดียวกันก็เป็นสมถะผู้ใดก็ตามที่ยังจิต น, นะน้อมบูชาทำบุญประเภทนี้เนี่ยนะใจเขาจะสบายแล้วเขาก็จะสบายใจแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้แกล้งทำใจให้สบายมันก็ไม่ยอมสบายด้วย น, นะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำเหตุแห่งความไม่สบายใจเอาไว้ผู้ที่ปดิสถาน ทำบุญเหล่านี้เอาไว้ดีก็เป็นเหตุแห่งความสบายใจเพราะศีลนํามาซึ่งอวิปปิสารเด็กนรับการผู้ที่ควรรับทานผู้ที่เป็นนาบุญของเราทั้งหลายก็คือพ่อแม่ของเราส่วนอย่างในยุคนี้เป็นยุคที่ที่คนหวาดระแวงพระภิกษุทั้งหลายหวาดระแวงผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหวาดระแวงผู้ที่นุ่งหม่มผ้าย้อม น, อน้ําฝาดนะก็ มันก็หลายๆอย่างที่ปรากฏออกมามันก็น่าหวาดระแวงจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ท่านสงสัยแต่ขณะเดียวกันที่ยังสงสัยก็เพราะไม่รู้จักสาวกของพระพู้แตเจ้าเราเอาใจไปเกาะเกี่ยวไว้กับลูกชาวบ้านเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับลูกหลานคนที่บวชก็ญาติๆเราทั้งนั้นแหละที่มาบวชนะสอบถามไปดูเถอะบางคนก็อยู่ในฐานะลุงบั่งป้าบ้างหน้าบ้างอาบ้างอะไรบางก็ญาติๆของเราทั้งนั้นแหละที่บวชไปคิดอะไรมากคิดมากก็จะป่วย แต่ทีนี้ให้เราไปนึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านก็บวชเข้ามาก็ปรารถนาจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านกําลังเดินทางเพื่อความเป็นสาวกเนีนะเราก็ให้ระลึกถึงสาวกแทนที่จะไประลึกถึงท่านเหล่านั้นระลึกถึงความปฏิบัติดีของสาวกของพระพุทธเจ้าแทนส่วนท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของท่านเธอเราไม่ต้องไปมีอะไรนะไม่มีส่วนอะไรกับท่านเหล่านั้นเลยเพราะ กรรมสโกมหิทุกคนในโลกนี้เกิดมาด้วยบุญด้วยบาปเป็นของของตนสิ่งที่เราจะไปก็เราเป็นเป็นของของตนดังนั้นคนอื่นเขาทาบาปเขาทาชั่วเขาทาเลวร้ายเราก็ไม่มีมีเอี่ยวที่จะต้องไปรับอะไรข้างหน้าต่อไปใช่ไหมเราไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปเสวยผลผลบาปอะไรกับเขาผู้ใดทำบาปก็ขอจงเป็นของ ผูนั้นเถอทําไมเราจะต้องไปขอแบ่งเข้ามาด้วยเห็นเขาดื่มยาพิษก็ไปขอบอกว่าคุณอาเจียนมาสิฉันจะช่วยดื่มให้มันดีที่ไหนมันเห็นคนอื่นทําบาปเราไปขอบาปเข้ามาทําไมเราเอาเรื่องที่เขาทําบาปมาหนักใจเราทําไมเพราะเราหนักใจเมื่อไหร่เราเป็นบุญไหมไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นเนี่ยมันไม่ไม่เป็ น, ม, น, ม, ม, ปนมันของใครก็ของใครเธอะในโลกนี้เราให้เกียรติเขาไปเถอะใครจะทําอะไรก็สมควรแก่ของเขา เราไม่ต้องไปหนักใจอะไรในเรื่องของคนอื่นจนเกินไปขณะเดียวกันเนี่ยนะเราศึกษาเรื่องของนาบุญเนี่ยทำไมไม่มองให้ทุกคนเป็นนาบุญของเราเราจะทำบุญอะไรกับกับเขาเหล่านั้นได้เนี่ยนะถ้าเรามองว่าเขาเป็นนาบุญของเราเนี่ยนะเราสามารถเจริญกุศลแม้ไปอย่างหนึ่งกับเขาต้องได้แล้วนะในบรรดาบุญกิริยาวัตถุตั้งมีทั้งส10บข้อใช่ไหมบุญกิริยาวัตถุมีสิบข้อ ถ้าเรามองเห็นคนที่เกี่ยวข้องเป็นนาบุญของเราได้นะหนึ่งเราให้ทานอะไรกับเขาได้บ้างสองเราคิดยังไงให้เป็นศีลกับเขานะามคิดยังไงให้เป็นสมถะ ภ, ภาวนาและให้เป็นวิปัสนาภาวนาคิดประเภทอ่อนน้อมได้ไหมช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเนี่ยนะเป็นอัจญยนะไมได้ไหมแต่ไม่ต้องไปช่วยเขาทำบาปนะไม่ต้อง ห ม, มายความว่าช่วยเหลือเกื้อกูลไม่กระทั่งหยาดเหงื่อแรงกายจกพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาพูดธรรมะให้เราฟังได้ไหมสามเขาฟังเราไหมไม่ฟังถ้าถ้าเราอาจจะเขามีธรรมะเราก็ฟังของเขาหรือเขาไม่มีเราอาจจะแสดงให้เขาแต่ถ้าบุญข้ออื่นๆไม่ได้ทำใจให้ตรงอะไรนะที่ถูกชุกรำรนะทำความเห็นให้ตรงเถอะ ไร้มนของเราไปเลยเขามาด้วยกรรมของเขานะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสากริสันติเนี่ยนะกริสามิก็ได้สันติก็ได้กัลยาณังวาตาปะกังวาตาสะทายาโทภวิสามินะหรือภวิสันติเนี่ยนะเขามาด้วยกรรมของเขาเขาอะนะเขามีกรรมเป็นของของตนเขาก็มีกรรมเป็นผู้ให้ผลเขามีกรรมเป็นแดนเกิดเขามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เก่าเขาเนี่ย มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมอะไรไว้ก็จะสมควรแก่กรรมนั่นแหละมันเขาทําบุญบุญก็ให้ผลเป็นสุขเขาทําบาปบาปก็ให้ผลเป็นทุกข์ตอนนี้เขาทําบาปแต่บุญเก่าให้ผลเป็นสุขอยู่ตอนนี้เขาทําบุญกรรมเก่าให้ผลเป็นทุกข์อยู่เขาก็สมควรแก่เหตุแก่ผลแล้วสิ่งใดที่เขาทําเขาจะเป็นผู้ผู้รับมรดกในสิ่งที่เขาทําคําที่เราพูดเจตนาทุกอย่างที่เขาคิดเราก็มาเจริญอะไรนะั้นทิฏฐิชั่วรรกับตัวเองอีก เราก็เหมือนกันนะเราก็มาด้วยกรรมของเราเราก็จะไปด้วยกรรมของของเรานี่แหละแล้วเอาเขาเป็นอา ร, รมณปัจจัยของกุศลกรรมอะไรของเราได้บ้างก็งเจริญกรรมฐานเจริญอย่างอื่นอีกต่อไปนั้นแต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้เนี่ยนะเราไปไปเห็นแต่ความเลวของคนอื่นใช่ไหมไอ้ทําไมคนนี้ตรหนี่จังเราก็ตรหนีด้วยคนนี้ทุศีนเออเราก็ไปทุ่ด้วยกับเขาคนนี้ไม่เจริญสมถาวิปัสนาเอาด้วยอย่างไงถ้าอย่างนี้ละ ใครมีบาปในโลกเท่าไหรเราไปขอบาปเข้ามาหมดเลยอย่างเง้นะก็เลยเราเนี่ยเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายานะสิ่งความชั่วร้ายก็ไปขอแบ่งๆใครที่มีความอ ะ, อะไรนะเก็บสถิติความเลวของคนอื่นได้มากเท่าไหร่นะคนนั้นเท่ากับมีส่วนแห่งความเลวเท่านั้นถ้าใครไปเก็บสถิติความดีของผู้อื่นมาขนาดใดก็มีส่วนแห่งความดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอนุตรังปุญญกเขตังโลกาสติเนี่ยนะ อยากให้มองทุกคนให้เป็นนาบุญของของพวกเราอะ น, นะบอกตรงๆเขามาก็มองโยมเป็นนาบุญเหมือนกันนะเขาก็ถามว่าถ้ามีผู้มาฟังทำเราเนี่ยนะเรามองเขาเป็นยังไงบอกเขาเป็นนาบุญของเราเราต้องอนุโมทนากับเขาขอบคุณเขาที่เขาฟังเรานะที่เขาฟังแล้วเราก็ได้ทําบุญได้ได้ทำมาเทศนาไม่ถ้าเขาไม่ฟังเขามานั่งเถียงกันเราจะไปเทศอะไรเนี่ยอดเลยใช่ไหมเขาไม่ฟังเราจะไปพูดให้ใครฟังเป็นต้น แต่แต่ถ้าเขาไม่ฟังจริงๆเราก็ไปไปเจริญอะไรนะเฮ้ยเขามีวิมุตตายทนะตั้งห้าข้อเสด็จร้อนทําไมแต่ว่าแต่ขณะใดาที่เขาฟังเราก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณเขาใช่ไหมเพราะเขาเป็นนาบุญของเราจริงๆเนี่ยนะเพราะมามองโยมทั้งหลายที่มาฟังเนี่ยเป็นเป็นนาบุญจริงๆเพราะก็คือว่าถ้ามีใครถามว่าอา้าวที่ผ่านๆมาไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามเธอถามว่าเราก็อนุโมทนาขอบคุณเขาที่เขามาช่วยทําให้บุญของเรา สำเร็จเพราะเราได้ทําบุญกับได้เจริญบุญเพราะันเราก็ระลึกถึงอะไรระลึกถึงบุญที่เราได้เจริญกับเขาได้ทํากับเขาไปแล้วเราก็จะได้กตันยูตาจะได้มงคลอีกข้อหนึ่งด้เพราะนั้นระลึกถึงผู้ใดเอ๊คนนั้นเราก็เคยให้ธรรมทานแกเขานะเราได้เคยทําบุญคนนั้นเคยเป็นนาบุญของเราเนี่ยนะก็มองว่าเขาเป็นเป็นนาบุญเพราะนาบุญเนี่ยนาบุญนี่แบ่งเป็นสองกลุ่มนาบุญที่รับอมิสทานกับรับธรรมทานเนี่ยนะรับอมิสทานกับ รับธรรมทานมันผู้ที่เราให้อมิตรแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เป็นนาบุญในด้านอมิตรนั้นเราให้ทำแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เป็นนาบุญในด้านธรรมทานมันยมนี่เป็นนาบุญผู้การนี่เป็นนาบุญให้มาทั้งนานแล้วเนี่ยทีนี้มาดูไวยพจน์ะนะคำที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนะว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ พระนิพพานที่ออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งบุรุษ4ีคู่นับเปียงตัวบุรุษนา้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เอาไปฝากวหา ง, งันนเถอะควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรทักศีนาทานเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้ก็ตรงๆงม น, นเวลาที่เราเห็นพระภิกษุที่นุ่งห่มผ้ากาสาวะ นุ่งห่มผ้ากาสาวะตัวพฤติกรรมของท่านท่านจะทำยังไงก็ช่างเถอะทำไมเราไม่เจริญสังขานุสติเห็นปั๊บกันเลยพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์แล้วส่วนท่านเหล่านั้นท่านจะทำยังไงก็เรื่องของท่าน ท่านอาจจะเป็นสุนัข ก, กิ้งจอกที่เอาหนังราชสีมาหมมันก็เป็นเรื่องของท่านเราไม่ได้มีส่วนไปรับอะไรของท่านหน้าที่ของเราก็คือปลูกต้นบุญให้ตั้งมั่นในพระตนะไตรช้างพระโพธิสัตว์ที่นายพรานนะเอาผ้าพระประเจกระพุทธเจ้ามาหอมใช่ไหมมาห่มเสร็จแล้วก็ไปทิ่มช้างฆ่าช้างช้างเห็นผ้ากาสาวก็เลยไม่ฆ่านายพรานเนี่ยนะ ช้า ง, งพระโพ ธ, ธิสัตว์ใช่ไหมไม่ฆ่านายพรานเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ผ้ากาสาวะคนอื่นก็เหมือนกันที่เขาหม่มผ้าย้อมน้ําฝาดเป็นธงชัยของผ้าหันเป็นธงชัยของผู้ที่พ้นทุกข์เราเห็นเขาเราก็เจริญสังขานุสติเราก็มาร ล, ลึกถึงพระรัตนตรายสิทำไมเราจะต้องไปขอแบ่งบาปมาจากท่านเหล่านั้น เราถ้าท่านตกนรกเราไม่มีส่วนกับท่านเลยอะไรเลยและอย่างหนึ่งเราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ที่มาชำระศาสนาอะไรรอให้มีบุญก่อนเป็นนายกเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วค่อยชำระคิดชำระศาสนาเอ๊ะทำยังไงพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติดีถ้าตอนนี้นะทำบุญให้แก่ตัวเองไปก่อนคิดยังไงใจจะเป็นบุญ